แนะนำบทอัลมาอูนบทอัลมาอูนเป็นบทมักกียะห์มี 7 องค์การที่กล่าวโดยสรุปถึงมนุษย์ 2 องจำพวกคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและเนรคุณต่อความโปรดปานของอัลเลาะห์ปฏิเสธแห่งการชำระและการตอบแทนคนมุนาฟิกคือคนกลับกลอกที่ไม่มีเป้าหมายในการกระทําของเขาเพื่ออัลเลาะห์ แต่ต้องการจะอวดอ้างในการกระทําการงานของพวกเขาและการละหมาดของเขาพวกแรกนั้นอัลเลาะห์ทรงกล่าวถึงลักษณะอันน่าเกลียดของพวกเขาและพวกเขาเหยียดหยามเด็กกําพร้าโดยแสดงกิริยาและการกระทําที่แข็งกระด้างไม่เรียบร้อยและไม่กระทําความดีเลยแม้กระทั่งเพียงกล่าวถึงสิทธิของคนยากจนขัดสนดังนั้นพวกเขา จึงไม่ได้ทําความดีในการภักดีต่อพระเจ้าของพวกเขาและไม่ได้กระทําความดีแก่มนุษย์โดยทั่วไปส่วนพวกที่ 2 นั้นคือพวกมุนาฟิกคือพวกที่ละเลยต่อการละหมาดซึ่งพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติละหมาดในเวลาของมันและพวกเขาได้กระทําไปแต่เพียงในรูปแบบไม่จริงจังวันนี้ได้สัญญาบุคคลทั้งสองจําพวกไว้ด้วยความหายนะและความวิบัติ ได้ประณามการกระทําของพวกเขาด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและสำนวนที่แปลกประหลาดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะรัยยัลลซียุกัซซิบบิดดีนฟะซาลิกัลลซียะดออัลยตีมเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลก นั่นก็คือผู้ที่ขับไล่เด็กกำพร้าและไม่สนับสนุนการให้อาหารแก่ผู้ขัดสนและนั้นความหยานะจงมีแด่บรรดาผู้ทําละหมาดอัลลซีนะฮุมอันซอลาตึฮุมซาฮู โดโดยที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขาอัลลซีนะฮุมยูราอูนวะยัมนาอูนอัลมาอูนโดยที่พวกเขาโอ้อวดกันและพวกเขาจะหวงแหนเครื่องชิ้นเล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้าน <ped>